พระสกิงสมัชกะวัตรหมวดว่าด้วยพระสกิงสมัชกะเป็นต้นหนึ่งสกิงสมัชกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระสกิงสมัชกะเทระพระสกิงสมัชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้เห็นต้นไม้อันเลอชื่อว่าบาตลิแคฟอย ซึ่งเป็นต้นไม้เป็นสถานที่ตรัสรู้อันสูงสุดของพระผู้มีประพาพระนามว่าวิปสัสสีแล้วทําใจให้เลื่อมใสในต้นไม้นั้นครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถือเอาไม้กวาดมากวาดบริเวณที่ตรัสรู้ครั้นแล้วได้ไว่าต้นปาตลิอันเป็นสถานที่ตรัสรู้นั้นข้าพเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสในต้นปาตลินั้นประนมมือเหนือศีรษะนมั ส, สการต้นโพนั้นแล้วกลับไปยังกระท่อม ข้าพเจ้าเดินนึกถึงต้นไม้เป็นสถานที่ตรัสรู้อันสูงสุดไปตามหนทางสัญจรงูเหลือมตัวร้ายกาศมีกําลังมากรัดข้าพเจ้ากรรมที่ข้าพเจ้าทําในเวลาใกล้ตายได้ทําให้ข้าพเจ้ายินดีด้วยผลของกรรมนั้นงูเหลือมกลืนกินร่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าตายไปแล้วรื่นรมอยู่ในเทวโลกจิตของข้าพเจ้าไม่ขุนมัวบริสุทธิ์ผ่องใสในการทุกเมื่อ ข้าพเจ้าไม่รู้จักลูกศรคือความเศร้าโศกที่เป็นเหตุทำจิตของข้าพเจ้าให้เร่าร้อนเลยข้าพเจ้าไม่มีโรคเรื้อนฝีโรคกลากโรคลมบ้าหมูคุธราษหิดเปื่อยและหิดด้านนี้เป็นผลแห่งการกวาดความเศร้าโศกความเร่าร้อนไม่มีในหัไทยของข้าพเจ้าจิตของข้าพเจ้าเที่ยงตรงไม่วอกแวกนี้เป็นผลแห่งการกวาด ข้าพเจ้าเข้าถึงสมาธิใจวับริสุทธิ์สมาธิที่ข้าพเจ้าปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองและไม่ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงนี้เป็นผลแห่งการกวาดนื้อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไวในครั้งนั้น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 วิชาสามเข้าพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกษแปดและอภิญญาหกเข้าพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระส ก, กิงจัมมชกกะเทระ ได้พาสิาทคาถาเหล่านี้ด้วยประการชน้จจิงสัมมัชกระเทราประธานที่หนึ่งจบ 2. เอกะทุสะทายกระเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระเอกะทุสะทายกระเทระพระเอกะทุสะทายกระเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนหาบยาขายอยู่ในกรุงหงสวดี เลี้ยงขีปด้วยการหาบหญ้าเลี้ยงธูบุตรภัญยาด้วยการงานนั้นพระชินเจา้าพระนามว่าปทุมุตระพูดถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกกำจัดความมืดมนให้พินาศไปเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในเรือนของตนคิดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วทยธรรมก็ไม่มี ข้าพเจ้ามีแต่ผ้าสาดกผืนเดียวนี้ไม่มีใครให้ข้าพเจ้าการตกนรกเป็นทุกข์ข้าพเจ้าจากปลูกทักษิณาครั้นคิดเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจึงทำจิตของตนให้เลื่อมใสได้ถือผ้าผืนเดียวไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้นถวายแล้วได้ประกาศอย่างเกือกกล้องว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้แกล้กล้าถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ขอได้ทรงโปรดชื่อยฆ่าพระองค์ให้ข้ามพ้นจากนรกด้วยเถิดพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาเมื่อจะทรงประกาศทานของข้าพเจ้าได้ทรงกระทําอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าว่าด้วยการถวายผ้าผืนเดียวนี้และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นบุรุษนี้จะไม่ตกนรกเลยตลอดหนึ่งแสนกลับ เขาจะได้เป็นจอมเทเ ค, ครองเทวสมบัติตลอด3ากชาติจกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสาสามชาติและจะได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูร์นับชาติไม่ท่วนเมื่อเธอเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพเคอเทวโลกหรือมนุสสีโลกจกเป็นผู้มีรูปงามสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมีร่างกายสมส่วนจะได้ผ่านนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ตามที่ปรารถนา ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นนักปราชปรากดังนี้แล้วได้จะเด็ดเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนพญาหงในอากาศข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเพื่อจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียวผ้าเกิดขึ้นจากข้าพเจ้าทุกย่างก้าข้างล่างข้าพเจ้าก็ยืนอยู่บนผ้า ข้างบนก็มีผ้าเป็นเครื่องมุงบังในทุกวันนี้จักรวาลพร้อมทั้งป่าภูเขาเมื่อเข้าพเจ้าปรานาก็จะพึงคลุมด้วยผ้าได้เพราะถวายผ้าผืนเดียวเท่านั้นแหละเข้าพเจ้าเมื่อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นผู้มีผิวพันเหมือนทองคำเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เข้าพเจ้าได้ถึงความเป็นภิกษุเพราะผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียว ถึงชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายภาคก็ยังให้ผลแก่ข้ขาพเจ้าอยู่ในขณะนี้เนี่ยกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผ้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียวกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกะทุสะทายกะเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้เอกะทุสะทายกะเทราประธานที่สองจบ 3. เอากาชนะทายกะเทราประธานประวัติในดิจฉชาของพระเอากาชนะทายกะเทระ พระเอกาชนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในติตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลาจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อกสิกะข้าพเจ้าได้สร้างอาสมและบารรณาศาลาไว้อย่างสวยงามข้าพเจ้ามีนามว่านารทะแต่คนทั้งหลายเรียกว่ากัะสปะครั้งนั้นข้าพเจ้าสแสวงหาทางบริสุทธิ์อาศัยอยู่ที่ภูเขากสิกะ พระธินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ส่งถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงประสงค์วิเวกจึงเสด็จมาทางอากาศข้าพเจ้าเห็นพระรัศมีของพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังเสด็จมาเหนือยอดไม้จึงจัดแจงเตียงไม้และปูลาดหนังสัตว์ไว้ครั้นปูลาดอาสนะเสร็จแล้วประนมมือเหนือศีรษะประกาศถึงความสมณัตแล้ว เรียกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนักปราชผู้ทรงเป็นผู้นำขอพระองค์ผู้เป็นดังสัญญแพทย์ผู้ถอนลูกสอนผู้เยียวยาความเดือดร้อนได้โปรดประทานการเยียวยาแก่ข้าพระองค์ผู้ถูกความกำหนัดครอบงำด้วยเถิดข้าแต่พระมุนีชนเหล่าใดมีความต้องการบุญพบเห็นพระองค์ผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ชนเหล่านั้นย่อมถึงความสำเร็จประโยชน์ที่ยั่งยืนและเขาเหล่านั้นจะพึงเป็นผู้ไม่แก่ข้าพระองค์หาได้มีทายธรทำถวายพระองค์ไม่เพราะข้าพระองค์บริโภคผลไม้ที่หล่นเองข้าพระองค์มีแต่อาณนะนี้โปรดประทับนั่งบนเตียงไม้เถิดพระผู้มีประภาผู้ไม่มีความสะดุ้งผู้เป็นดุจราชสีได้ประทับนั่งบนเตียงไม้แล้ว จากครูจึงได้ตรัสคำนี้ว่าท่านจงเบาใจเถิดอย่าได้กลัวเลยท่านได้แก้มณีโชติรถแล้วอาสะนะที่ท่านปรารถนาทั้งหมดจกสำเร็จบริบูรณ์แก่ท่านบุญที่บุคคลบาเพ็ญไว้ดีแล้วในเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมเป็นบุญไม่น้อยเลยผู้ที่ตั้งจิตไว้ดีแล้วสามารถจะถอนตนเองเพ้่นได้ด้วยการถวายอาสะนะนี้และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มัน่น เขาจะไม่ตกนรกเลยตลอดหนึ่งแสนกัปเขาจากเป็นจอมเทพ ค, ครองเทวสมบัติตลอดห้าสิบชาติจกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปดสิบชาติและจกได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ท้วนจกมีความสุขในที่ทุกสถานเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นนักปราชญ์ตราสดังนี้แล้ว ได้เสด็จเหาะึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนพญาหงในอากาศยานคือช้างยานคือมา้าวอและคานหามข้าพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการถวายอาสนะที่เดียวเมื่อข้าพเจ้าเข้าป่าแล้วต้องการอาสนะบันลังดังจะรู้ความดําริของข้าพเจ้าก็ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่่้ำกลางน้ำต้องการที่นั่ง บรรลังดังจะรู้ความดำริของ ข, ข, ข, ข้าพเจ้าก็ปรากฏขึ้นข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดใดคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามบรรลังหนึ่งแสนแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพทั้งสองคือหนึ่งภพเทวดาสองภพมนุษย์เกิดในตระกูลเพียงสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตริสองตระกูลพราหมณ์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 และอภิญญาหกข้าพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเอกราสนาทะยกะเถระได้ภาสิขคาถาเหล่านี้เลือกประการฉนิเอกาสนาทะยกะเถราประทานที่สามจบสีสัตตปธรรมพระปุพยเถราประทาน ประวัติในเิตชาตของพระสัตตะกธรรมพระบุพยาเถระพระสัตตะกะธ ร, รพระบุพยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเิตชาตของตนจึงกล่าวว่าในที่เมื่อไกลาจากภูเขาหิมะพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อกระทรรพะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเจ็ดองค์อาศัยอยู่ที่ข้างภูเขานั้นเขาพระเจ้าเห็นดอกกระทุ่มจึงเก็ดมาเจ็ดดอกและประนมมือ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 เือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสัตตกะธรรมพระบุพยาเถระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สัตตกะธรรมพระบุพยาเถราประธานที่สี่จบห้า โกรันทะปุพิยเถราประทานประวัติในดิจชาติของพระโกรันทะปุพิยะเถระพระโกรันทะปุพิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติปางก่อนเขาพเจ้ากับปิดาและปู่เป็นคนทํางานในป่าเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์คูสนลกรรมของเราไม่มีใกล้ที่อยู่ของเขาพเจ้าพระาศาสดาพระนามว่าติสสะ ผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกผู้มีพระจักสุได้ทรงแสดงรอยพระบาทไว้สามรอยเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามว่าติสระที่พระองค์ทรงประทับไว้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตร่าเริงบันเทิงใจได้ทําจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทนั้นข้าพเจ้าเห็นต้นอังกาบซึ่งงอกเลื้อยไปตามพื้นดินมีดอกบานสะพรั่ง จึงเด็ดมาพร้อมทั้งยอดได้บูชารอยพระบาทอันประเสริฐที่สุดด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคอจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกาเนิดนั้นๆข้าพเจ้ามีผิวพรรณดังดอกอังกาบมีรัศมีสานออกจากกาย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 ได้ทราบว่าท่านพระโกรันทะปุพยะเถระได้พาศึคษ า, าเหล่านี้ด้วยประการศนี้โครันท h ปุพยะเถราประทานที่ห้าจบหกพระตะมันทะทายกะเถระประธานประวัติในดิตชาติของพระพระตะมันทะทายกเระพระกะตทะทกตทยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงดาริดีแล้วผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนเสด็จเข้าไปยังป่าใหญ่ทรงพระประชวนด้วยโรคลมข้าพเจ้าได้เห็นแล้วจึงทําจิตให้เลื่อมใสนาหัวน้ํามันเนยเข้าไปถวายเพราะบุญกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้และได้สั่งสมไว้แล้วแม่น้ำคงคาพาคีรทีนี้และมหาสมุทรทั้งสี่ บันดาลเ น, นยใสยให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าอันหนึ่งพื้นปฐพีที่กว้างใหญ่ประมาณมิได้กำหนดนับมิได้นี้ดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้าจึงกลายเป็นน้ำพึ่งและน้ำตาโกรธต้นไม้ที่งอกขึ้นบนแผ่นดินในทิศทั้งสี่ดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้าจึงกลายเป็นต้นกลลปรปุกไปข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทก ค, ครองเทวสมบัติตลอดห้าสิบชาติ และได้เป็นพระเจ้าจาักราพรรดิห้าสิบเอดชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบโบลนับชาติไม่ถ้วนในกัปทีเก้าสบสี่นับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายทานไวน้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายหัวน้ํามันเนยกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระคตะมันทะทายกะเทระได้พาสุดคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้คตะมันทะทายกะเทราประธานที่หกจบ7เอกธรรมสวนณยะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระเอกธรรมจวนณยะเทระ พระเอกรธรรมสวนิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชีนเจ้าพระนามว่าปทุมมตระทรงถึงฝั่งความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงประกาศสัจจะสี่ทรงช่วยชนจำนวนมากให้ข้ามพ้นดีแล้วสมัยนั้นข้าพเจ้าเป็นชดินมีตะบะแก่กล้าสบัดภาพเหลือกไม้หาะไปในท้องฟ้าในครั้งนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเหาะผ่านไปเหนือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดได้ข้าพเจ้าเหาะไปไม่ได้เหมือนนกเข้ า, ปาขไปใกล้ภูเขาแล้วบินผ่านไปไม่ได้ข้าพเจ้าพ่นลมหายใจออกเป็นไอน้ำลอยอยู่ในท้องฟ้าด้วยคิดว่าเหตุที่ทำให้อิรียบทของเราขัดข้องเช่นนี้ไม่เคยมีเอาละเราจะค้นหาสาเหตุนั้นเผื่อจกได้ผลจึงลงจากอากาศ ก็ได้ฟังพระสุรเสียงของพระาศาสดาเมื่อพระาศาสดาตรัสถึงสังขารไม่เที่ยงด้วยพระสุรเสียงที่น่ายินดีน่าฟังไพเราะขณะนั้นข้าพเจ้าได้เรียนอนิจจลักษณะนั่นแหละครั้นเรียนอนิจจลักษณะได้แล้วก็ได้ไปยังอาสมของตนข้าพเจ้าอยู่ในอาสมนั่นแหละตราบเท่าสิ้นอายุจึงได้ตายเมื่อจุติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายกำลังจะเป็นไป ข้าพเจ้าก็ระลึกถึงการฟังพระสัจธรรมได้ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมืนกับได้ครองเทวสมบัติตลอดห้าสิเอ็ดชาติได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสาเอดชาติได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูร์นับชาติไม่ท่วน ข้าพเจ้าเสวยบุญของตนมีความสุขในภพน้อยภพใหญ่ข้าพเจ้าเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ยังระลึกถึงสัญญานั้นได้ข้าพเจ้าหาได้แทงตลอดบทอันไม่จุติคือพระนิพพานด้วยทำไรไรไม่ได้มีสมณะผู้อบรมอินทรีย์มานั่งที่เรือนบิดาท่านได้แสดงธรรมกถาและยกอนิจจลักษณะในธรรมกถานั้นขึ้นว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปภาวะที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับเป็นความสุขขณะที่สะดับคาถาเขาไปเจ้าได้ระลึก ถ, ถึงสัญญาทุกอย่างนั่งณนะอาสนะเดียวก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วเขาไปเจ้าได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบพระพุทธเจ้าจึงให้เขาไปเจ้าอุปสมบท นี้เป็นผลแห่งการฟังธรรมเนี่ยกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ฟังธรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการฟังธรรมกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอเกธรรมสวนิยะเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้เอเกธรรมสวนิยะเทราประธานที่เจจบ8สุจินติตตะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระสุจินติตตะเทระ พระสุจินติตเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นชาวนาอยู่ในกรุงหงสาสวดีเลี้ยงชีพด้วยกสิกรรมเลี้ยงดูบทภัญญาด้วยเกษิกรรมนั้นครั้งนั้นนาของข้าพเจ้าสมบูรณ์ดีข้าวของข้าพเจ้าออกรวงแล้วเมื่อถึงเวลาข้าวสุกบัดนั้นข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ว่า การที่เรารู้คุณโทษอยู่ไม่ได้ถวายสง์บริโภคส่วนเลิศด้วยตนเองเป็นการไม่เหมาะไม่สมควรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกผู้ทรงพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการและพระสงฆ์ผู้ถือกําเนิดจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมเราจะถวายข้าวใหม่เป็นทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นปฐมฤกษ ครั้นคิดเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีใจร่าเริงปราบเพื่มด้วยปีติจึงนำข้าวเปลือกมาจากนาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้ทรงองค์อาจกว่านรชนกราบพระยุกลบาทพระศาสดาแล้วกราบทูลคํานี้ว่าข้าแต่พระมุนีข้าวใหม่สมบูรณ์แล้วทั้งพระองค์ก็ยังประทับอยู่ณที่นี้ ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุขอพระองค์จงทรงพระกรุณารับเถิดพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าบุรุษบุคคลผู้กำลังปฏิบัติสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลสีจำพวกนี้บุรุษบุคคลผู้กำลังปฏิบัติสี่จำพวก และผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนี้คือสงเป็นผู้ซื่อตรงมีปัญญามีศีลและมีสมาธิมนุษย์ทั้งหลายผู้หวังบุญให้ทานอยู่ทำบุญปรารบเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถวายทานแก่พระสงฆ์ใดจึงมีผลมากและข้าวของท่านก็ควรถวายพระสงฆ์นั้นจึงจะมีผลมากเช่นนั้นท่านจงนำภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับมอบหมายจากพระสงฆ์ ไปยังเรือนของตนแล้วถวายเสียงของที่มีอยู่ในเรือนซึ่งท่านตระเตรียมไว้แด่ภิกษุสงฆ์เถิดข้าพเจ้าได้นําภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับมอบหมายจากพระสงฆ์ไปยังเรือนของตนแล้วถวายเสียงของที่ข้าพเจ้าตระเตรียมไว้ในเรือนแด่ภิกษุสงฆ์ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีวิมานทองเปล่งปลัง่งสูงหกสิบโยต์กว้างสามสิบโยต์อันกรรมสร้างไว้อย่างสวยงามเพื่อข้าพเจ้าภาณวาระที่สิเก้าจบข้าพเจ้าได้ครองเทวสมบัติตลอดสามพันชาติและได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้าร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพูโบ์นับชาติไม่ท้วน เมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ได้ทรับนับไม่ถ้วนข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ยานคือช้างยานคือมา้าวอและคารหามข้าพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ผ้าใหม่ผลไม้ใหม่โภชนะที่มีรสเลิศใหม่ๆข้าพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วน นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ผ้าไหมผ้ากำพลผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเขาพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่มูาทาดหญิงาทาดชายและเหล่านารีที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามเขาพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ความหนาวความร้อนไม่เบียดเบียนเขาพเจ้า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 นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่บัดนี้พบนี้เป็นพบสุดท้ายพบสุดท้ายกําลังเป็นไปอยู่แม้ในวันนี้ทายธรรมของข้าพเจ้าก็เป็นผลทําให้ข้าพเจ้ายินดีอยู่ทุกเมื่อข้าพเจ้าได้ถวายข้าวใหม่ในหมู่พระสงฆ์ผู้เป็นคณะที่ประเสริฐสูงสุดย่อมได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าแปดประการคือหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณผุดพอง 2. มียศส ม, มีโภคะมากมายซึ่งใครๆก็ลักไปไม่ได้ 4. มีพักพวกมากหามีบริวารไม่แตกแยกกันทุกเมื่อ 6. สัตว์ที่อาศัยพันุดินทุกจำพวกล้วนยำเกรงข้าพเจ้าเข้าพเจ้าได้ทัยธรรมก่อนผู้อื่น 8. จะเป็นไปในถ้ำกลางหมู่ภิกษุหรือเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพตาม พวกทายกจะล่วงเลยท่านเหล่านั้นทั้งหมดมุ่งมาถวายข้าพเจ้าเท่านั้นข้าพเจ้าได้รับอนิสงเหล่านี้เพราะได้ถวายข้าวใหม่ในหมูพระสม์ผู้เป็นคณะที่ประเสริฐสูงสุดก่อนนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่กิเลทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในดิจชาตของพระโสณกิงปณิยะเทระพระโสณกิงปณิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้ามีศรัทธาได้ออกบวชเป็นบรรพชิตอาศัยการบรรพตบะจึงได้นุ่งข่มผ้าเปลือกไม้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัทธทัศนสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนสเสด็จอุบัติขึ้น ทรงช่วยมหาชนให้ข้ามพ้นวัฏสงสารเขาพระเจ้าหมดกำลังเพราะป่วยหนักเราลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดจึงก่อพระสถูปที่อุดมไว้ที่หาทรายครั้นแล้วเขาพระเจ้าเป็นผู้มีจิตร่าเริงมีใจเบิกบานโปรยดอกกระดิ่งทองโดยพลันเขาพระเจ้าปรนิบัติพระสถูปเหมือนกับปรนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะพระพักอันหนึ่ง ด้วยจิตที่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐาทศีผู้คงที่นั้นเขาพเจ้าจึงได้ไปเกิดอย่างเทวโลกได้ความสุขอันไพ่บูนในเทวโลกนั้นเขาพเจ้ามีผิวพรรณเหมือนทองคํานี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเทพนารีของเขาพระเจ้ามีประมาณ80โกรธประดับตกแต่งสวยงามต่างก็บํารุงเขาพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นคือกลองตะโพนสังบันเดาะมโหระทึกกลองใหญ่บรรเลงอย่างไพเราะในวิมานนั้นช้างกุญชรตระกูลมาตังคะตกมันสามแห่งอายุหกสิบปีจำนวนแปดหมื่นสี่พันเชือกประดับตกแต่งสวยงามคลุมด้วยไข่ทองคำบำรุงข้าพเจ้า ความบกพร่องด้วยกำลังพลและที่อยู่ย่อมไม่มีแก่ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิ71อดชาติและได้ครองสมบัติในมหาปัฐพีตลอดร้อยหนึ่งชาติบัตดนี้ข้าพเจ้าได้บรรลุอมตะบทที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากสังโยชน์สิ้นแล้วบัตดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเนกลับที่หนึ่งพันแปดร้อยนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้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 วิชาสามเขาพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทาสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าก็ได้ทำไม่แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทาสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโสนะกิมกริยะเถระ ได้พาสิทธถาเหล่านี้ด้วยประการชน้โสนะคิงปัญญะเทราประธานที่เก้าจบสิโซวันนะโกนะตริกะเทราประธานประวัติในดิจจ่าของพระโสวันนะโกนะตริกะเทระพระโสวันนะโกนะตริกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ อบรมพระไยัยฝึกพระองค์แล้วมีพระไัยตั้งมั่นเสด็จดำเนินอยู่ในทางอันประเสริฐทรงยินดีในการสงบระงับจิตผู้ทรงข้ามโอคาได้แล้วมีปกติเพ่งพินิจยินดีในฌานเป็นมุนีเข้าสมาบัติไม่ละการสำรวมอินทรีย์ข้าพเจ้าเห็นแล้วจึงใช้กระโหลกน้ำเต้าตักน้ำเข้าไปหาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด แล้วพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วถวายปโหลกน้ําเต้าก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมตระได้รับสั่งว่าเธอจงใช้ปโหลกน้ําเต้านี้ตักน้ํามาวางไว้ใกล้ๆเท้าของเราเนื่องจากข้าพเจ้ามีความเคารพต่อพระาศาสดาจึงรับสนองพระพุทธด ร, รมรัสว่าขอรับแล้วใช้กโหลกน้ําเต้าไปตักน้ํามาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด พระมหาวีระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงยังจิตของข้าพเจ้าให้สงบเย็นข้าพเจ้ารื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดสิบห้ากัปและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสาสิบสามชาติจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามเมื่อข้าพเจ้าเดินหรือยืนอยู่คนทั้งหลายถือเอาธงชัยทองคำยืนอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ธงชัยทองคามาเพราะการถวายปโลกน้าเต้าแด่พระพุทธเจ้า จักระที่ทําไว้ในท่านผู้คงที่ทั้งหลายถึงจะน้อยก็ย่อมเป็นของไพบูร์ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายประโหลกน้ําเต้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลเนื่งการถวายประโหลกน้ําเต้ากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว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 พระพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขราพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโสวันณนะโกณนตรตฤกกะเทระได้พาสิขาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้โสวันณนะโกณนตรกกะเทราประธานที่สิบจบสกิงสัมมากะวัคที่สี่สิบสามจบบริบูรณ์ ร่วมอภิธานที่มีนิวัคินี้คือหนึ่งสกพิงสัมมากะเทราประทานสองเอกะทุสะทายกะเทราประทานสเอกะชนะทายกะเทราประทานสีสัตตกะธ ร, รมภะปุพยะเทราประทานหโกรันทะปุพยะเทราประทาน 6. พระตะมันทะทายกะเทราประทานเจ็ด เอกธรรมสวนิยะเทราประทาน 8. สุจินติตะเทราประทาน9ก้โซนะกิงกนิยะเทราประทานสิโสวั น, นะโกนะตริกะเทราประทานในวักนี้บัณฑิตนับคถาได้หนึ่งอยเจ็ดสิบเอคาถา